เพศนวัดป่าบันตาดวันที่25ธันวาคม2 5 0 6เราได้เกิดมาเป็นงน้ที่มีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ในร่างกายของเรา เิดได้ทราบว่าเป็นผู้มีพื้นเพือมาแล้วมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในานามยังคำว่ามนุษย์เท่านั้นที่ขาดตกบกพ่องอวัยวะซึ่งเป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์มีจำ น, นวนมาก นั่นคือเป็นพูดถึงไม่ถึงควาอมด้วยความเป็นมนุษย์สมบัติความเป็นมนุษย์สมบั ต, นนมมติหมายถึงอวัยวะทั้งหลายที่มีบริเวิและมับางเบาเดียใจการแห่งมนุษย์ ที่ต้นเหตุต้องเป็นผู้มีคุณงางความดีสมควรที่จะเป็นมนุษย์ถ้าในสมภูมิที่จะเป็นมนุษย์ในลักษณะมะนุษสมบัติแล้วแม้จะเกิดขึ้นมาก็จักแต่ว่าน า, นามมนุษย์ทนั้นเ่วนอาการของคนผู้นั้น จะไม่เป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปในโลกเลยดังที่เราเคยเห็นแล้วในที่ต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่เลือเหยื่อกรรมาครแห่งสัตว์ที่เป็นไปตามกำเนิดแต่กรรมของเขาก็เนื่องจากว่ากรรมของสัตว์ที่ทำไว้ในโลกนี้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 ยอมมีการถิกเรื่องลำบากและสะดวกต่างกันดีเป็นธรรมดายิ่งกำเนดกัเริ่ฐานด้วยแล้วมีความทุกข์ที่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่เหมือนกำเนดแห่งมนุษย์ของเรา ความที่เขาเป็นตัดเยื่อฉางในภพในชาติของเขานั้นเราไปดูถูกเหยียดหยามาาเขาเป็นตัดสัำชาก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะสวรบางลายหรือบางประเพศอาจจะมีคุณสมบัตอยู่ภายในใจของเขาแต่เพราะเหตุแห่งกรรมที่เขาทำไว้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 อาจจะมีส่วนดีอยู่บ้างแล้วก็การ์ดสวอร์กมลีที่ตนไม่ทำไว้ยิ่งจะสูงกว่ามนุษย์ของเราเป็นบางายก็ อ, อาจเป็นได้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านคินมาให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันและกัน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 กี่พบกี่ชาตได้รับความสึกความทุกข์อย่างไรบ้างจนกว่าจะมาถึงกําหนดปัจจุบันหนึ่งเราก็ไม่สามารถจะรู้ในความเป็นมาของเราฉะนั้นเรื่องของจัตุรัสเขาสเสวยกรรมของเขาตามกําหนดของเขาในนั้นจึงไม่ควรจะดูถูกเหยียดยามเขาว่าเป็นจัตุรัสกรรมช้าเลยผ่านเขาอาจจะมีวันหนึ่ง คือจะผ่านพ้นจากกรรมประเภทนั้นแล้วก้าวขึ้นสีความสีไหลทั้งด้านกําเนิดทั้งด้านคุณธรรมภายในใจของเขาเหมือนอย่างมนุษย์ของเราก็ได้เรียยิ่งไปกว่ามนุษย์ธรรมดาสามัญ น, นี้ก็อาจเป็นได้นายเมื่อได้ผ่านพ้นกรรมประเภทศนั่นแล้ว ที่ท่านให้ชื่อว่าวัตตะก็คือความหมุนเวียนภายในตัวเองแต่ละตัดและบุคคลนั่นเองม้นในไม้ถึงดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาพระพิษพระจันรเป็นวัตตะนั่นเขาไม่มีความรู้สึกในเขาเองถึงจะหมุนไปสักกี่รอบกี่ครัง้งเกิดตายไปเท่าไหร่ ก็เป็นสภาพห น, นึ่งของสภาวะนั้นๆเท่านั้นไม่ปรากฏเป็นความรู้สึกมีความสุขความทุกข์ความต ก, กเศร้าเสียใจในเมื่อตนได้พักผ้าหรือตนได้แปรสภาพไปเหมือนอย่างสัตว์นมนุษย์ของเราส่วนสัตว์แลมนุษย์ของเรานี้ อาการแห่งร่างกายจะแสดงอย่างไรออกมาทิ่ต้องทุกต้องติดตามมาด้วยทุกๆขณะของอาการนั้นๆเคลื่อนไหเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขังจริงเต็มไปทุกอาการในส่วนแห่งร่างกายของเราเพราะอ น, นิจจังเป็นสภาพที่แปรผันตลอดเวลาในส่วนของร่างกายและจิตใจอันนี้ คำมณ า, าตาจะหาสัตว์หาบุคคลตัวตนที่ไหนในสภาพแ่งร่างกายเหล่านี้ไม่มีอีกเหมือนกันทูที่ไปปักปันเปลียดแดนเอาสภาพทั้งหลายเหล่านี้ทีเ่เป็นความจริงรืูตามสภาพของตนว่าเป็นของตนจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์รุ่มร้อนภายในใจทั้งท่านและเรา อยู่ที่ไหนจะปรากฏตั้งแต่ความทุกข์ของสัตและบุคคลบนกันอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่มแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ารายใดได้ผ่านพ้นจากทุกข์เพราะความบ่นเพอนั้นไปแม้แต่รายเดียวเพราะผู้กอ่อทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองก็กีอเราคู่บนเพอเรื่องทุกข์ว่าเป็นท่าติดต่อตัวเองก็คี่เรายเพื่อ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 ความเป็นมาทั้งนี้ไม่ใช่จะเป็นมาชาติเดียวพบเดียววันเดียวเดือนเดียวปีเดียวในบุคคลและสัตว์ตแต่ละหลายล้านแต่เคยเป็นมาเช่นนี้จนไม่มีใครจะสามารถนับได้ว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งความเป็นมาของตอแต่ละหลายล้านในสัตว์แบุคคลนั้นๆ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 ไม่สามารถจะรู้ความเป็นมาลึกซึ้งอย่างละเอียดใกล้ไกลหรือสูงต่ำแค่ไหนทั้งคนเองแต่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่จะเหลือความสามารถของผู้สนใจใกล้ต่อหลักความจริงซึ่งเป็นเห็นคิดแนวทางเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วและได้เห็นผลประจักษ์ในพระทยของพระองค์แล้ว ได้ประทานไว้สำหรับบรรณาศัตทั้งหลายผู้ต้องการความหยุดน้นให้ได้ไตเต้ า, ตาออไปตามพระองค์ท่านธรรมะแปดมืนสี่พันก็ธรรมะขันล้วนแล้วตั้งแต่เต็นพากสายทางสำหรับเดินของศัตวูภูมมุ่งความพ้นทุกข์โดยไถ่เดือดเราที่ได้อุบัต เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มืออวัยวะครบสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากปุกเพจักตะตุนญาติที่การสั่งสมคุณงามความดีไว้ตั้งแต่พบก่อนแล้วมาปรากฏผลขึ้นให้เห็นความเป็นมนุษย์ที่มี คุณค่ายิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายปรากฏภายในตัวของเรานี่เป็นอันหนึหน่งแล้วเราก็พยายามนำผลกําไรอันตึกเกิดขึ้นมาจากกรรมดีของเรานี้มาเป็นต้นคุณหมุนเพื่อคุณงามความดีได้จากการปฏิบัติทานศีลภาวนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในการวาจาใจของเราเราก็จะเพิ่มคุณงามความดีขึ้นอีกภายในใจอันนี้แม้หากว่ายังจะเยียนว่าตาเกิดในวัฏสงสารเราก็จะพอมีทางหลีกเล้นจากความทุกข์ท่านนั้นมีความติดพอประมา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 นั้นต้องมีเต็มทิพมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกข์พร้อมด้วยความเพียรธรรมศีลก็ไม่มีอันใดที่จะรักยิ่งไปกว่าแนณชีวิตจิตใจก็ยอมคีได้เพราะอำนาจแห่งศีลที่ตนนักไพ่นั้นไม่ยอมล่วงเกินผาสุนททางด้านสมาธิการอบรมจิตใจให้ปราศจากเชื่อ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 หรือเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกปรากฏอยู่ภายในตัวของเหล่านี้ทุกๆขณะก็ดีจงเป็นผู้มีสติรอบครอบรอบรู้กับอาการแห่งธรรมที่ตนกำลังพิจารณาอยู่นั้นให้ปรากฏเป็นปัจจุบันนธรรมกับปัจจุบั น, นจิตได้แจะบทธรรมกับใจของตนพร้อมด้วยสติให้สัมปรุษกันอยู่เสมอ ผูนี้จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยในชาติที่อื่นซึ่งจะเป็นสถานที่และผู้ใดมารับรองนั้นจะไม่มีนอกเหนือไปจากกลับแห่งสีงสมาธิปัญญาที่พิพู้อบรมทําด้วยความเต็มอกเต็มใจใคลายต่อความพ้นทุกข์จริงๆสภาพอื่นมีพ่อแม่เป็นแดงเกิอตัดก็ต้องมีพ่อแม่เป็นแดงเก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 ขาศาดาของโลกเขาไม่ปรากฏว่าพระเจ้าสิดโภทนะและพนางสุมายาติมหามายามาเป็นแดนเกิดแห่งความเป็นพุทธะของพระพุศลเจดีย์ก็มีสาวกอรหันทั้งหลายนับเป็นจำนวนไม่น้อยมีพ่อแม่แดเป็นแดนเกิดเพียงกำเนิดของเจ้คาคนละทัยเท่านั้นแต่แดนเกิดแห่งความเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ภายในต่นั้น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 จะปรากฏเป็นผู้ดีเกิดขึ้นจากเหตุพันดีนั้นเป็นกำนักนับแต่ทางกายทางรางกาเข้าไปถึงด้านจิแกจเมื่อได้อบรมตนให้เป็นไปตามแนวทางทางสวัสขาตาธรรมที่พระองค์ท่านทรงตรัสไว้ชอบแล้วผู้นั้นจะปรากฏทำนับตั้งแต่ทมขั้นตน้น จนถึงทำขั้นสุดยอดจะปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเพราะเหตุแห่งคุณธรรมคือสีนสมาธิปัญญาเป็นแดนเติรดถ้าจะเรียกว่าสีลสมาธิปัญญาเป็นพ่อแม่แห่งนักพุทธทานก็ไม่ผิดเพราะอันนี้เป็นสมุิประเทนึ่งเทียบกันได้กับสมุดทางโลก ที่สัตว์และบุคคลมีพ่อแม่เป็นแบงเกิดคำว่าพระโสดาปฏิมรักโสดาปฏิผลสกิภาธรรมะสติภาความอนาคามราคามราคารอนาคตาาาผลย่อมเกิดขึ้นมาจากเหตุันดีทั้งนั้นอา้าวขอสรุปความลงใกล้ๆหรือยอ่ยอๆว่า ศีลสมาธิปัญญากราวเป็นส่วนรวมไว้ทั้งส่วนหยากส่วนกลางส่วนอ่อเป็นแดนเกิดแห่งคุณธรรมคือโสดาปติมัคโสดาปติมัคเป็นแดนเกิดแห่งคุณธรรมคือโสดาปติผล สกีทาคามัคเป็นแดนเกิดแห่งโซโดาปติพลอนาคามิมัเเาคามมมเป็นแดนเกิดแห่งอนอาคามิผลอรหัตมัคเป็นแดนเกิดของอันอรหัตผลอรหัตมัคกับอรหัตผลเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่แล้วนั่นแหละ เป็นสถานที่จะผิดนิพพานหนึ่งขึ้นมาได้ในขณะของพระหัตตมรรคกับอรับหัตผลข้อมูลกันแล้วปรากฏเป็นธรรมอัตจันท ร, ร์ขึ้นมาในขณะนั้น นี่ถ้าจะกล่าวโดวยความมีพ่อแม่เป็นเงินเกิดในหลักธรรมก็ต้องเขียบทันอย่างนี้ที่นี่สิ่งทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่มรรคจนถึงผลต้องมีต้นเข้าไปจากตัวของเราผู้จะบำเพ็ญอีกมัอนกันะเพราะฉะนั้นเราทุกทุกท่านเวลานี้พร้อมอยู่แล้ว ที่จะเป็นผู้สามารถติดอันเหตุอันดีขึ้นภายในกายมาราใจทั้งหมดเพื่อพ้นอันดีเป็นเครื่องสหนองตอบแทนเป็นลำบากจงยาได้มีความพอใจในการประกอบความเพียรย่าเห็นว่าการประกอบความเพียรเป็นความทุกข์ยากลำบาก ขนาดการประกอบความเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ถือว่าเป็นของลำบากแล้วเราที่จะ ม, มาเียนว่าตายเกิดในมตะสงสารภาพของทุกในความเกิดความตายของตอ น, นี้จะมีจระมันหนักหรือมากน้อยเท่าไหร่เราต้องน้นอมสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเทียบเทียงกับ ความลำบากของความเพียนที่เพื่อตนจัดท้นจัดทุกอันนี้เมื่อเราเทียบโหดเหยบเทียบผลได้เป็นสัสดส่วนอันดีแล้วเราก็คงจะมีความภาคความเพียรโดยแม้คํานึงถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากเพราะเราเคยเกิดในโลกในสงสารเคยทุกข์ใครเราเคยลำบากยากยิ่งกว่านี้เรายัง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 สัตว์ทั้งหลายมาเกิดตาอยู่นี่เป็นธรรมชาติประเสริฐแล้วพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ประเสริฐและสาวกสงฆ์สาวกจะเป็นผู้ประเสริฐและเป็นฐานะของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในใจโลกธาตุนี้ไม่ได้นั่นเองเพราะธรรมสัตว์ทั้งหลายในตรโลกธาตุนี้ย่อมมีโอกาสประสบความประเสริฐยิ่งกว่าความเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นเสียแต่นี้ไม่เต็มเช่นนั้น จะโลกไหนก็ตามที่ว่าโลกเกิดแล้วต้องเป็นโลกตาเรื่องทุกต้องเป็นธรรมชาติที่จะต้องทุกข์เค้ากับความเกิดความตายแยกจากกันไม่ออกเราอย่าได้สงสัยในความเสียดายนี้ว่าจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลื่อเลออันใดพอที่จะทำใจของเราให้ประมาทนอนใจและติดดี กับยาพิษเครื่องล่วรลวงคนโง่เท่านั้นหลักที่จะประกันคุณภาพแห่งธรรมะคำสอนของภูมิจักรให้ผลิดผลออกมาโดยสมบูรณ์และผลิดผลออกมาเป็นลำหนับนับแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นอันสมบูรณ์นั้น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 แต่เราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรจึงไม่เกิดความสะดุดอกสะดุะดจใจสะทก e สะทานววาดเสียวต่อความเป็นมาของคนทั้งที่เคยทานกองเคยมาแล้วอย่างโชคโหนด้วยกันเมื่อได้น้อมเรื่องอดีตอนาคตเข้ามาปรากฏอยู่กับองค์ปัจจุบันเคลือ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 ทำมาให้ถือหลักปัจจุบันเป็นหลักสำคัญนั้นคือให้พิจรารณาสภาพที่มีอยู่กับตัวของเรา้วยความมีสติสำประดุจามยาได้ถือการขาดสติว่าเป็นของมีคุณค่าภายในตัวขางเราในขณะเดียวกันเป็นโมฆะพุทธ หรือโมฆะบุคคลในความเพียรนั้นรัติที่มีความสมพยุติอยู่กับความเพียรในวงปัจจุบันประมาณมากน้อยเท่าไรผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรติดต่อดีตลอดเวลาเท่านั้นความเพียรติดต่อโดยยุธีนี้สามารถที่จะผิดผลให้ปรากฏขึ้นภายในใจของคนเป็นลาดับ เมื่อความเพียนได้มีความติดตอ่อสืบเนื่องกันอยู่เจนมีโดยความมีสติแล้วเรื่องผลอันจะพอกคูณขึ้นมาภายในใจให้รับความยืยนยันแจ่มใสความเยือกเย็นความสบายความกระจ่างภายในใจจะปรากฏขึ้นกับใจดวงที่เคยลุ่มหลงและเคยโง่ต่อตนเองนั้นโดยไม่ต้องสงสัย ผู้ใดได้กาหนดทำบทใดอาการใดจงเป็นผู้มีสติอยู่กับบทธรรมและอาการนั้นๆ น, น, นี่ท่านเรียกปรับเป็นปัจจุบันนธรรมในสภาวะธรรมด้วยเป็นปัจจุบันนกจิตที่เกี่ยวข้องกับสภาวะธรรมนั้นโดยความมีสติด้วยเมื่อปัจจุบันนธรรมคืออาการแห่งธรรมทั้งหลายกับปัจจุบนนกจิตคือผู้พิจารณา มีความตั้งพันดีเช่นนี้จิตจะต้องรู้สุดเรื่องของตัวและเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเป็นลหดับไม่ใช่จิตจะมีความโง่ตลอดไปนอกจากจิตจะเดินไปในทางเถือเลยที่เคยเป็นมาแล้วโดยมนันมีหยกักหรืออัดรมเป็นเครื่องพุ้มคองรักษาเท่านั้น จิตจึงจะเป็นไปเพื่อการสั่งสมกี่เลนและความโง่ต่อตัวเองโดยไม่มีที่สุดอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าพิจารณาสติปัฏฐาน4ี่ทำไมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพิจารณาทำไมเป็นสาวกอรหันเวลานี้สติปัฏฐานสี่อยู่ที่ไห น, น ทรงประทานไว้เพื่อขายเราผู้ฟังทำอยู่หบัดนี้มีแก่ ส, สติปัญฐาสีหรือบกพร่องที่ตรงไหนบ้างธรรมกายเต็มสมบูรณ์อยู่ในตัวของเราล้วนตั้งแต่สติปัญญาสีเท่งนั้นมีบกพร่องที่เต็มหมเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยแสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีบกพร่องที่เต็มหนดจิตผู้รับรู้เรื่องของกายเรื่องของเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีหลับแต่ตื่นมีบกพร่องที่เต็ม ทมคือทรมารมที่เกี่ยวข้องกับภายในใจทั้งภายนอกภายในสัมพันธ์เกียเนื่องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีบกพร่องที่ตรงไห น, นที่กาวทั้งหมดนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมสิ่งที่บกพร่องอยู่กค็คือความสนใจต่อเรื่องของตัวเท่านั้นเป็นสิ่งที่บกพร่องสำหรับบุคคล ท, ที่ไม่มีความเพี่ยง เมื่อเราทําความสนใจต่อเรื่องของเราดิฉนี้สิงบกพร่องทั้งหลายเรามีจะต้องปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วขอดขอนจิตใจของตนให้พ้นไปจากสภาวะที่เคยเกี่ยวข้องซึ่ ง, งกันและกันกลายเป็นเอกริตเอกธรรมธรรมชาติที่เลิ่ขึ้นทางในตัวจิตดวงนั้นก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นเช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหเพราะเดินทางสายเดียวกัน จะมีความแปลกประหลาดกันที่ตรงไหนลักษณะแห่งการปฏิบัติพิจรารณาก็ถือสถานที่อันเดียวกันยึดสถานที่และแนวทางอันเดียวกันผลที่จะปรากฏจะกปันเอนมาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเอกกิจเทตธรรมอันเดียวกันกันกบท่านผู้ที่ผ่านพ้นไปแล้ว ขอให้เราทั้งหลายได้ทำความสนใจต่อเรื่องของอย่าปล่อยให้สติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นโมฆะสำหรับเราจนตายเพิ่งเปล่าเปล่าไม่เป็นประโยชน์อนไดเลยจงนำกายเวทนาจิตธรรมมาเป็นเครื่องสักพ่อจิตใจหรือถีลรับปัญญาของเราให้ขมกล้าสามารถจับาว้าสารกายเวทนาจิตธรรมนี้ให้ขาดสะบั้นออกจาก ตัวของเราหิือใจทั้งเราตติปฐานสี่จะกลายเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเกิดโตด้วยความเฉลียวฉลาดอำนาจวัสนาขึ้นภายในตัวจนถึงกับค้นจักทุกประด้เสียโดยทิ้นเถิเพราะอำนาจแห่งตติปฐานสีที่ผู้พิจนารณาไม่ยอดทอ้อต่อเรื่องของโตัวเ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่เมืองอินเดียถ้าจะคิดอย่างโลกโลกก็ไกลแสนไกลแทบจะพูดได้ว่าคนละมุมโลกกับโลกของเราเองแต่เมื่อคิดตามหลักความจริงที่เป็นไปนะพระพุทธเจ้าและสามกทั้งหลายแล้วมันเป็นความจริงเช่นเดียวกันกับเราที่นั่งเฝ้าความจริงอยู่นบัดนี้ กายของพระพุทธเจากับกายของเราเป็นกายเช่นเดียวกันเวทนาความสุกทุกเฉยของพระพุทธเจากับเลทนาความสุกทุกเฉยภายในกายทายในใจของเราเป็นเวทนาเช่นเดียวกันจิตความคิดความปรุงของพระพุทธิจากับจิตกําลังคิดกําลังปรุงของเราอยู่ในวัดนี้เป็นความคิดเช่นเดียวกันธรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งออกมาจากจิตใจของเราน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 ในสภาวธรรมที่เราจะก้าวไปตามทางสมเด็จพระผู้เนีนระภาคเราจึงควรจะเห็นว่าห่างกันหิกไกลกันศีลจะปฏิบัติให้บริสุทธิ์จะปฏิบัติที่องไหนนอกจากจะปฏิบัติในสถานที่ไม่มีศีล น, นี่เท่านั้นถ้าไม่มีศีลก็คือเราแต่ก่อนเราไม่เคยรักษาศีลศีลเราก็ไม่มี เมื e si ่อเราเป็นผู้ปฏิบัติรักษาใกล้ต่อการรักษาศีลให้ตนเราก็ปรากฏเป็นภู้มีศีลขึ้นมาภายในตัวของเราดูที่ไหนก็มีศีลที่ไหความมอกแวกของแฟนหรือความพุ่งเพ้อเหวี่ยภายในใจไม่ว่าใจของไข่ใจของคนอินเดียกับใจของเมืองไทยเรากับใจของเรามันเป็นใจที่มีกิเลสด้วยกันมันต้องเล่ละเอเล่ร่อนเหมือนกันเมื่อได้ถูกธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่อง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 สติของขพระพทเจ้าเป็นสติเช่นไหนในเบื้องสนก็เป็นสติล้มลุกคุกค้ขาดเช่นเดียวกับสติของเราทั้งหลายต mm hmm. อนที่คนจะเกิดเป็นผู้ใหญ่ต้องปรากฏมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยกันต้องมีการล้มลุกคุกค้ขาดกําลังบางชาไม่แข็งแรงต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงดูปูปกลักษ า, าจึงจะใหญ่โตขึ้นมาได้จนกว่าจะเลี้ยงตัวคุม้ม สติของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแต่พราะการบำรุงรักษาของพระองค์ท่นานมาขาดบักขาตอนอยู่เสมอก็ปรากฏเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นศาสตราของโลกขึ้นมาเราผู้มีความสนใจใคล้ต่อการบำรุงสติบำรุงปัญญาของตอนภายในตัวของเราเราก็ ยึดเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาบํำรุงตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติตนของตนอย่ามีความท้อแท้โ อ, อนแอในการประกอบความภาคความเพียรเราก็จะค่อยแปลกระทับจากความเป็นผู้งงงขาวเอาปัญญาขาดสติสตงค์กลายเป็นผู้มีปฏิปัญญาขึ้นมารอบตัวเรื่องที่เรียนตัณหาอาสวะซึ่งเคยมีตั้งรากตั้งบ้านตั้งฐานหรือตั้งบ้านตั้งเดือนอยู่ภายในใจเราเป็นซึ่งเป็น ธรรมชาติที่เราก่อขึ้นมานต่างสมขึ้นมาแต่เราเป็นผู้จะทําลายสิ่งเหล่านี้ด้วยความดีของเราสิ่งเหล่านี้ก็ทนอยู่ไม่ได้ขึ้นเดยวกันอมจะแตกกระจัดกระจายสูญหายไปหมดสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือธรรมชาติที่ดีงามภายในใจ แม้จะไม่ประกาศออกให้โลกเห็นก็าตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจับติดไวไ้ไม่ได้สำหรับบุคคลผู้รู้ท่านจึงตรัสไว้ว่าสัน้นทิพยิปโกรและปัจจตังเมริตะบูบินฑ์เป็นสภาพที่ประกาศตังบานอยู่ภายในความรู้ของผู้บริสุทธิ์นั้นทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีบกซ่องและไม่มีอะไรจะสามารถมาปิดบังปิดบังไได้ สำหรับผู้จะให้รู้ผู้รู้ของตนต้องรู้ได้ผู้เกิดขอแต่เป็นผู้มีข้อปฏิบัติหลักของสติปัฏฐานสีก่ก็ดีหลักของทุก อ, อริยสัจจะทรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโดจนมา ก, ก่าดีเป็นธรรมอันเดียวกันทั้งครั้งขพุต้ายัางทรงพระชจดี และพงนิพานต้ทางของพระพุทธเจ้าและของพวกเราไม่มีอันใดผิดแตกต่างกันเป็นสภาพเกี่ยวเนื่องกันดีเช่นนี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ทำความสนใจต่อตนเองและเรื่องของตนเอง ที่ปรากฏอีู่ภายในใจทุกเวลายาได้ลักให้ขาดลักขาดตอนเดียเวลาหมดลมหายใจไปเปล่าในวันหนึ่งคืนหนึ่ชีวิตนี้จะไม่ยั่งยืนถาวอนไปถึงไหนก้าวไประยะไหนก็มีแต่จะก้าวเข้าไปจิงที่แตกสลายเท่านั้นถ้าผูประมาทแล้วจะไม่ไรับประโยชน์ใดจากลมหายใจที่เข้าออกตีกทุกขนนี้ ส่วนผู้มีความไม่ประมาทผู้นั้นแหละหายใจออกก็มีกำไลหายใจเข้าก็ได้กำไลมีสติะตังมีความรู้ความสละ<ม>จากลมหายใจของตนจากร่างอันไม่เป็นสาระแต่ฐานของตนนี้ตรงที่ยนานดู<ม>สติปัฏฐานสี่ทุก สูุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าอาเรศสัจจะทำทั้งสี่ทั้งตนให้รอบไม่ได้กว้างแคบที่ไหนธรรมะธํามตงสอนคำพระโทธิเจ้าไม่ได้ลึกจนไม่สามารถจะมองเห็นเพราะคุกอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นัรร่นสมุทัยอยู่ที่ไหนธรรมชาติเครื่องแจกก็อยู่ด้วยกันคุกสมุทัยนิโรธมรรคอยากเข้าใจว่ามีนอกเหนือไปจากกายกับใจของเราตรงนี้ ส, สติปัฏฐานสีโปรดได้สร้างว่าคือกายวาจาใจทั้งเหล่านี้ผู้จะแก้ไขสิ่งทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องโูกพันกันก็คือเรื่องของใจมสีสติกับปัญญาประกอบเป็นองค์ความเพียรที่นิทิจงาอยู่ในบริเวณแห่ง ส, สติปัฏฐานสีและอริยสัจธรรมทั้งสีนี้โดยรอบตัวเรื่อง ส, สติปัญญาจะไม่ต้องสหึ่มาจากตึกบ้านร้านตลาดที่ไหนต่ปรากฏขึ้นมาภายในใจของผู้นั้น เป็นลำหนับลำหนับนับตั้งแต่ขั้นสติธรรมดาขั้นปัญญาธรรมดาจนกลายเป็นขั้นมห า, มหาสติมหาปัญญามีความสามารถแจ้วกล้าต่อการพินิจพิจารณาในสิ่งที่จิตขวางตัวเองซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองได้ทุกอย่างจากบุคคลผู้มีความเพียนไม่ขาดวัคขัดตอน เมื่อสติปัญญาได้แปลสภาพขึ้นมาสู่ความเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วทิเล จ, จะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนปัญญานี้สามารถจะสอดส่องแทงทะลุลตุกลงไปหมดไม่มีอันใดเหลือไม่ต้องพูดถึงเพียงว่าส่วนร่างกายที่เป็นของดับอยางนี้ ที่ปัญญาจะไม่สามารถตูเท่าเทียมและถอนถอนตรงได้แม้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญ, ญางซึ่งเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่ารูปธรรมนี้ปัญญาและสติก็าสามารถที่จะสอดส่องมองรู้ได้ชัดหมดและถอนตอนออกมาจากธรรมชาติอันนี้ได้อีกละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือรังของอวิชชาได้จะกิจดวงที่ทรงไว้ซึ่งจีเรศทั้งดวงนี้ที่ถือกันว่าเราว่าเขานี่เอง ปัญญาก็สามารถจะแทงทะลุปูปลงไปหมดซึ่งรากฐานอันเป็นที่เกิดของที่ดุและก็ธาตุทั้หลายคือหัวใจดวงนี้ปัญญาจะสามารถแทงตลอดทําลายธรรมชาติอันเป็นบอกกังวลให้เกิดจเจ็บเจ็บตายสงสารนี้ได้ภายในใจดวงนั้นโดยไม่ต้องสงสั ย, ยเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจ้วกล้าแล้วธรรมชาติที่ว่าอาวิชากับใจดวงนี้ เป็นธรรมชาติที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาผีกกับสูกกันนั้นจะถูกสติ ป, ปัญญาทําลายลงได้ในขณะเดียวเท่านั้นเรื่องบอ่อเกิดบอ่อตายทั้งหลายจะเป็นธรรมชาติที่สูญเชื่นลงไปในขณะที่พรมแห่งอวิชชาได้ขาดประเด็นลงไปนั่นแหละท่านเรียกว่าพุโทโธของพระพุทธเจ้า ก, ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นสั้งโคที่เด่น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 เป็นข่าติดและเกิดความอิจนาละอายใจนั่นจะเป็นเหตุให้ธรรมัตต์ให้ยืดยาวไปไม่ใช่เป็นทางที่จะดลมัตต์ให้สั้นและน้อยลงจกนกระทั่งถึงขาดไปหมดนอกจากความเปลี่ยนเท่านั้นไม่มีอันใดจะสามารถยืดฟื้นตนเองให้้นกับวัตถุนีิยมและไม่มีธรรมชาติอันใดที่จะสามารถทําลาย ตัวพบตัวชาติซึ่งฝังอยู่ภายในโรงใจมาเป็นเวลากีกับนับในถวนนี้ให้แตกและกระจระายไปได้นอกจากหลักของสติปัญญาที่ผู้มีความเพียรสนใจบำเพ็นให้เกียรติมีพลังขึ้นภายในตนเท่านั้นเรื่องที่กร ะ, ะเพือสะเทือนระทานดูทั้งวันทั้งคืน เราได้พิจารณาดูรอบครอบแล้วเลยเรื่องอะไรที่สะเทือนอยู่ทุกเวลาเนี้มันเรื่องเกิดเรื่องตายทางนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องมิเกียิโตอนันใดการเกิดตายไม่ใช่เป็นของประเสริฐเลิ่โลกอันใดขอพิจพรารณยขยันกันในเรื่องความเกิด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 พระฤิ์พรบรมเนตรตำนานให้เราอะไรบ้างเราต้องพิจารณาให้ถ้าจะตามเด็จพระพุทธเจ้าให้พ้นจากหาเพิงอันใดต้องเป็นผู้หนักแน่นต่อความภาคความเฉลียใครมีความหนักแน่นทุกดักไม่ต้องบอกแบบอแคอนแกรต เพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยทําพระองค์ให้บอกแยกคอนเสิร์และไม่เคยนําความบอกแยกคอนเสิร์มาสอนศัพทุกๆพระโอวาทที่ทรงประทานไม้แส่ยงปากล้วนแล้วแต่ออกมาจากความมั่นคงของพระพุทธเจาเองไม่เคยบอกแยกคอนเสิร์ต่อพระองค์และสอนสาวกตลอดบรรณาศักดิทั้งหลายให้เป็นผู้บอกแยกคอนเสิร์ตต่อหลักความจริง ที่จะทําตนให้พ้นจากทุกข์มาได้เลยนะครับดังนั้นเราพูดจะน้อมตัวของเราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงจิตถึงใจแล้วโปรได้เห็นความภาคความเพียยเพื่อจรื้อความตนพ้นจากทุกข์นี้ว่าเป็นการเสด็จตามพระองค์จ่าหรือตามพระองค์ถังเราจะเป็นผู้สิ้นสุดในเรื่องบอกกังวลคือความขวัญตายทั้งหลายภายในใจของเรา ในวันหนึ่งแม่โดยไม่มต้องเปล่นแปลนวสามอย่างจะต้องไปทีไหนคามากช่อถือของพระราชประการติมภพปรากฏามมณฑนักปิบัตทั้งหลายที่ความตุกคาตบารกตนดทัด่ง